ทีสละกราชที่เป็นนิสกีสลั่แก่สงภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงผมอุตราสงเฉวยงบ่าข้างหนึ่งกราดท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งประโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญลาบนี้เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสงกระผมรู้อยู่น้อมมาเพื่อตนเป็นนิสกีกระผมสลักราบนี้แก่สงครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติ พึงคืนราบที่เธอสลับให้ด้วยยติกัมมาวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจบงฟังข้าพเจ้าราบนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิชกีเธอสลัแก่สงถ้าสงพร้อมกันแล้วก็พึงให้ราบนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สลัแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุหลายรูปห่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งประยงประนมมือ ผู้เจริญลาบนี้เขาน้อมไว้เป็นของจะถวาย้สงฆ์กระผมรู้อยู่น้อมมาเพื่อตนเป็นนิสกีกระผมสละลาบนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติพิสูตผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนลาบที่เธอสละให้เรียกกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าลาบของภิสูตชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วพึงให้ลาบนี้แก่ ภิกษุชื่อนี้สลาแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุรูปหนึ่งหงอุตราสงชี้เวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งประยงประนมมือกล่าวว่าท่านขอรับลาบนี้เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสงกระผมรู้อยู่น้อมมาเพื่อตนเป็นนิสกีกระผมสลาราบนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้น พึงรับอาบัตแล้วคืนลาบที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนลาบนี้ให้แก่ท่าน